บทที่หนึ่งเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงกิจวัตรประจำวันของท่านพระครูคือตื่นนอนตั้งแต่ตีสีแล้วปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปจนถึงหกโมงเช้าจากนั้นจึงออกบินธบาตโปรดสัตว์ให้ชาวบ้านร้านถิ่นได้มีโอกาสสร้างคุณความดี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 และได้ชื่อว่ายัางชีพอยู่ด้วยการเบียดเบียนชาวบ้านพวกญาติโยมเขาไม่เลื่อมสายศรัทธาพระประเภทนี้ถ้าอย่างนั้นพวกพระที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ใบ้หวยรับปลุกเสกลงเลกยันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของพระใช่ไหมครับหลวงพ่อพระบวทใหม่รูปหนึ่งถามฉันไม่เรียกคนประเภทนั้นว่าพระ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 พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอีกมากท่านพระครูพูดอย่างโปรงตกลุงพ่อครับผมเคยฟังมาว่าท่านเจ้าคุณบางองค์ค้ายาเสพติด จ, จริงหรือเปล่าครับภิกษุหนุ่มถามอีกอย่าคิดอะไรมากตั้งหน้าตั้งตาเจริญกรรมฐานไปดีกว่าบางครั้งการรู้อะไรมากๆมันก็เป็นภัยกับตัวเราเอง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 ที่ดีไปได้รับคนๆหัวหมผ้าเหลืองแต่ไม่ทำหน้าที่ของพระใครมาอยู่วัดนี้แล้วไม่เอากรรมฐานก็นิมนต์ไปอยู่วัดอื่นฉันต้องการคุณภาพไม่ใช่ปริมาณขึ้นชื่อวส่งต้องเป็นสุปฏิปันโนที่แท้จริงจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสักยะบุตรอย่างสมบูรณ์แบบท่านพระครูพูดเสียงหนักแน่น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 หลังจากที่ท่านพระครูปฏิบัติกรรมฐานเสร็จก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตโปรโดสัตว์โดยมีลูกศิษย์หิ้วปินโตเดินตามหลังเมื่อท่านอุ้มบาตรเดินออกถึงหน้าประตูเข้าวัดก็พบชายจากรันผู้หนึ่งอายุราวๆ30สปีสะพายกระเป๋าเสื้อผ้าใบย่อมไว้บนบาข้างขวาเดินเข้ามานั่งยองๆ ย, ยกมือไหว้แล้วก็ถามท่านด้วยอาการตื่นเต้นว่า ท่านท่านพระครูเจริญเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงใช่ไหมครับเสียงผู้ที่ฟังแปลงหูแสดงว่าไม่ใช่คนถิ่นนี้ฉันนี่แหละคงไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมท่านถามท้าทางเขาดีใจแล้วก็ประหาดใจละคนกัน รีบตอบท่านว่าครับผมมาจากกาลสินมีธุระอะไรกับชั้นหรือมีครับสำคัญมากแต่ผมคือมันเป็นความลับครับเขาพูดอึกออักๆครั้นจะบอกไปตามตรงว่าไม่อยากให้ลูกศิษย์ท่านรู้ก็เกรงว่าเจ้าหมอนั่นจะตั้งตัวเป็นศัตรูเอาละฉันเข้าใจ ว่าแต่วัตุระของเธอด่วนมากหรือเปล่าถ้าม่รีบร้อนรอให้ฉันกลับจากบินทบาเยก่อนได้ไหมเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงหาทางออกให้ได้ครับได้ผมจะรอท่านอยู่ตรงนี้ชายต่างถิ่นรีบตอบท่านพระกรูตั้งสติกำหนดเห็นหนอแล้วเพ่งสายตาไปที่นับผากของเขา ก็ได้รู้ว่าบุคคล น, นี้ไม่ได้มาร้ายจึงชี้มือไปที่กุฏิของท่านแล้วก็พูดว่าไปนั่งรอที่กุฏิชันดีกว่านั่นหลังนั้นชายหนุ่มยกมือไหว้อีกครั้งและจึงเดินไปรอที่กุฏิตามคำสั่งของท่านเขาดีใจและแปลกใจมากที่เหตุการณ์ตรงกับความฝัน พระรูปนั้นปรากฏให้เขาเห็นในฝันติดติด ก, กันถึงสามคืนจนเขาจำท่านได้ติดตาช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเขาปลดกระเป๋าออกจากบ่าวางลงที่พื้นแล้วก็เดินสำรวจไปรอบๆวัดไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เขาเห็นในฝันเสียงประหลาดสั่งให้เขามาแก้กรรมที่วัดแห่งนี้ บอกชื่อวัดที่ตั้งพร้อมทั้งชื่อสมภารเสร็จสับเขาสู้อุตสาห์เดินทางด้นด้านมาเพื่อพิสูจน์และจะได้พบแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้เท่านั้นว่าแก้กรรมเป็นอย่างไรแต่ที่แปลกที่เสียงนั้นช่างไม่เหมือนกับเสียงของท่านพระครูเลยสักนิดมันก้องกังวานและดูมีอำนาจลึกลับอย่างไรชอบกนเป็นเสียงของใครกันหนอ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 แล้วก็ลงมือฉันพร้อมทำกรรมฐานเริ่มตั้งแต่เห็นหนอตักยกมาอ้าใส่เคี้ยวกลืนทุกอิริยาบถถูกกํากับด้วยหนอข้าวแต่ละคําจึงถูกท่านฉันอย่างมีสติฉันเสร็จลูกศิษย์ยกสำรับมาวางที่พื้นเพื่อจะกินอาหารที่เหลือและเก็บไว้กินมื้อกลางวันกับมื้อเย็น ส่วนท่านพระครูฉันมือเดียวบางวันงานยุ่งมากก็ไม่ฉันไม่จำวัดแต่ท่านก็ไม่มีอาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยลา้าเพราะอยู่ด้วยอำนาจของสมาธิที่คนธรรมดาธรรมดาไม่อาจทำเช่นนั้นได้อา้าวกินข้าวกินปลาเสก่อนมีเรื่องอะไรค่อยว่ากันทีหลังท่านบอกชายแปลกหน้า ลูกศิทย์วัดตักข้าวใส่จานสองจานแล้วเรียกเขามาร่วมวงท่านพระครูลุกออกไปแปลงฟันว้วนปากในห้องน้ำระบประทานอาหารเสร็จชายหนุ่มช่วยลูกสิทย์วัดล้างจานเสร็จแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระครูเห็นท่านนั่งขัดสมาธิก็นั่งท่านั้นบ้างลูกสิทย์วัดต้องมากระซิบว่าให้นั่งพับเพียบเธอเชื่ออะไร มาที่นี่ได้อย่างไรท่านพระครูถามบัวเฮียวครับผมเดินมาชายหนุ่มผู้มีนามว่าบัวเฮียวตอบเดินมาจากไหนคงไม่ใช่จากกาลสินนะครับผมเดินมาจากกาลสินกว่าจะถึงที่นี่กินเวลาสิบห้าวันพอดีเขาตอบ ทำไมถึงไม่ขึ้นรถมาล่ะรถโดยสารมีออกเยอะแยะในฝันเขาบอกให้เดินมาครับอ๋อเชื่อฝันท่านพระครูยิ้มอย่างใจดีบางครั้งก็มีคนมาหาท่านมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังเสมอๆเ อ, อชื่อแปลกดีนาะฟังเหมือนชื่อยวนเป็นยวนหรือเปล่าท่านวกกลับมาถามเรื่องชื่อ ผมมาผมเป็นคนไทยครับบัวเฮียวรีบตอบเขากลัวท่านพระครูจะไม่ยอมให้บวชถ้ารู้ว่าเป็นคนยวนแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาที่นี่เรื่องมันแปลกประหลาดมากเชียวครับท่านพระครูเรียกฉันว่าหลวงพ่อเหมือนคนอื่นที่เขาเรียกกันก็แล้วกันครับหลวงพ่อ ผมจะเล่าให้หลวงพ่อฟังตั้งแต่ต้นเลยนะครับชายหนุ่มนิ่งไปอึดใจหนึ่งเหมือนจะทบทวนความทรงจำแล้วจึงเริ่มต้นเล่าผมเกิดที่จังหวัดกระสินพ่อกับแม่ทำงานที่โรงฆ่าสัตว์พ่อมีหน้าที่ฆ่าวัวควายซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งจะฆ่าหลายตัวส่วนแม่ก็ช่วยแล่เนื้อหนังกระดูตลอดจนเครื่องในออกจากกันเพื่อเตรียมส่งขาย มีร้านค้าย่อยมารับเอาไปขายเราๆตีสี่ผมก็เกิดและโตมาในโรงฆ่าสัตว์ได้เห็นพ่อแม่ทำงานทุกวันเท่าแก่ก็ให้พวกเรากินอยู่ในนั้นเสร็จเมื่อผมโตพ่อก็พาไปเข้าโรงเรียนรัฐบาลพอจบป .4 จึงออกมาช่วยพ่อแม่ทำงาน แ, แรกๆก็ช่วยแล่เนื้อพ่อโตอายุ1 4บ5ี่ห้าก็ช่วยพ่อแม่ฆ่าวัวควาย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 วันที่แกจะตายนั้นแกเมามากถึงกับลงไม้ลงมือกับแม่แม่ซูไม่ไหวเลยคว้ามีดที่ใช้แทงคอสัตว์นั้นแทงพ่อถึงตอนนี้เขาหยุดเล่าภาพเหตุการณ์สยดสยองในครั้งนั้นผุดขึ้นในความทรงจำมันแจ่มจ้าชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นทั้งที่วันเวลาล่วงเลยมาถึงสิบปีแล้ว แม่เธอนีต้องติดคุกนะสิครับแม่ถูกจับฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาสารตัดสินจำคุก20สิปีแต่ให้ลดครึ่งหนึ่งเพราะแม่รับสารภาพพอปี 2,506 ากก็ได้รับการลดโทษอีกครึ่งหนึ่งเนื่องในโอกาสที่ในหลวงอายุสามรอบเป็นคนไทยต้องพูดราชาสับได้ เขาเรียกว่าทรงพระเจริญมายุครบ 36, สามสิบหกพันษาท่านพระครูขัดขึ้นนายบัวเหี่ยวหน้าซีดรีบแก้ตัวพลวันผมจบแค่ปสี่พูดไม่เป็นหรอกครับแต่ผมเป็นคนไทยเอาละเอาละไหนเล่าต่อไปสิครับแม่ติดคุกอยู่ห้าปีพอออกจากคุกก็มาทำงานอยู่ที่เก่า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 เสียงนั้นบอกว่าบัวเฮียวภาพที่เห็นคือวัดป่ามะม่วงพระรูปนั้นชื่อพระครูจเจริญเป็นเจ้าอาวราชเจ้าจงไปหาท่านแล้วให้ท่านบวชให้วัดนี้อยู่ทางทิศตะวันตกให้เจ้าเดินทางไปส5้าวันจะถึงวัดเจ้าจะสามารถแก้กรรมได้ที่วัดนี้แล้วภาพและก็เสียงก็หายไปผมจะด้วงตื่น ก็ได้เวลาทำงานพอดีตอนแรกผมไม่ได้ใส่ใจคิดว่ากินมากก็ฝันมากเพราคืนที่สองที่สามก็ฝันแบบเดียวกันนี้อีกเล่าให้แม่ฟังแกก็บอกว่าให้ลองทำตามฝันดูผมจึงไปขอลางานเท่าแกแกก็ไม่ให้ลาเพราะไม่มีคนแทนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำงานมาอีกปีหนึ่ง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 แข่กว่าผมสักสองสามปีเห็นจะได้เรียกว่าได้ผัวเด็กคราวลูกว่างั้นเถอะครับแต่เขาเป็นคนดีขยันขันแข็งแล้วก็ไม่กินเหล้านายบัวเหี่ยวพูดราวกับว่าความดีของพ่อเลี้ยงจะทำให้ความผิดของแม่ลดน้อยลงเพราะการแต่งงานกับเด็กคลาวลูกคราวหลานถือเป็นเรื่องผิดในสายตาของคนทั่ ว, วไป ถึงจะมีบางคนว่าไม่ผิดแต่ยังน้อยมันก็ผิดปกติท่านพระครูเชื่อตามที่ชายหนมเล่ามาทุกประการแต่เพื่อความแน่ใจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคิดดังนั้นท่านจึงตั้งสติ ก, กาหนดเห็นหนออีกครั้งและก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเล่ามาเป็นความจริงเกือบทั้งหมดยกเว้นเรื่องเดียวคือ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 ลองนึกดูดีๆสิถ้าเหตุไม่มีแล้วผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านพระครูทดสอบคุณสมบัติทางใจของเขานายบวยเหี้ยวนักนึกอยู่หลายนาทีแต่ก็นึกไม่ออกจึงปฏิเสธเสียงหนักแน่นไม่เคยจริงๆครับตั้งแต่จำความได้ผมไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยลักขโมยไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน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 ก็คนประเภทนี้มีสักกี่คนกันละ่ะที่โชคดีเพราะเขาได้กลับมาแก้ตัวอีกครั้งฉันเห็นมานักต่อนักแล้วพวกคนที่ว่าไม่เชื่อนอรกพอฟื้นขึ้นมาก็เห็นรีบทําบุญสร้างคุณความดีกันทุกรายเพราะได้ไปเห็นของจริงมาแล้วพอทำความดีเมื่อตายลงอีกครั้งก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิ ท่านพระครูอธิบายอบายภูมิแปลว่านรกหรือครับคนฟังเริ่มสนใจไอละอองของบุญเก่ายังพอมีเชื้อหลงเหลืออยู่บ้างอบายภูมิหมายถึงภูมิที่ไม่เจริญได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานคนที่ทําความชั่วเมื่อตายลงไปก็จะไปเกิดในอบายภูมินี้ทําอะไรบ้างครับ จิงจะเรียกว่าทำชั่วเขาถามอีกก็ละเมิดศีลห้านี่แหละรู้จักศีลไหมล่ะพ่อแม่เคยพาไปทำบุญที่วัดบ้างหรือเปล่าท่านพระครูถาม ท, ทั้งที่รู้คำตอบดีเห็นหนาททำให้ท่านรู้กฎแห่งกรรมของบุรุษผู้นี้อย่างทะลุปรุกปรงไม่เคยเลยครับพ่อกับแม่ไม่เคยเข้าวัดทำบุญ แต่ถ้าเข้าไปดูหนังดูเลขเกณ์ในวัดแล้วก็บ่อยตอบอย่างพาซื่อถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่รู้นะสิว่าการทําที่ละเมิดศีลห้ามีอะไรบ้างอยากรู้ไหมละ่ะอยากครับหลวงพ่อช่วยบอกผมหน่อยสิครับงั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีนะการกระทําที่ละเมิดศีลก็ได้แก่การฆ่าสัตว์การลักขโมย การเป็นชู้กับเมียคนอื่นการพูดปดการดื่มสุราเมรไรท่านพระครูอธิบายเพราะถือว่าการสั่งสอนธรรมเป็นหน้าที่ของพระโดยตรงได้ฟังถ้อยคำของเจ้าอาวาสนายบัวเฮียวรู้สึกสะท้านสะเทือนในหัวอกเขาละเมิดศีลไปถึงสองข้อแล้วคือฆ่าสัตว์กับพูดปดส่วนอีกสามข้อ ยังไม่เคยทำโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเขาจะไม่ล่วงละเมิดอย่างเด็ดขาดก็ไม่ใช่เพราะดื่มสุราเมรัยหรอกหรือพ่อจึงต้องจบชีวิตอย่างอเนกอนาถหลวงพ่อครับข้าสัตว์เป็นบาปด้วยหรือครับเขากังขาแน่นอนถ้าอย่างนั้นผมคงบาปมากเลยเพราะข้าววัวข้าควายทุกวันยกเว้นวันพระ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 ความจริงท่านรู้วาระจิตของชายที่นั่งตรงหน้าหมดสิ้นแล้วหลวงพ่อครับผมต้องขอโทษที่โกหกหลวงพ่อหากได้รับการศึกษาอบรมดีกว่านี้นายบัวเฮียคงจะพูดว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับกระผมต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้พูดความจริงกับหลวงพ่อขอโทษเรื่องอะไรหรือ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 อันเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาได้ขอขมาในความผิดนั้นแล้วถ้าพูดความจริงผมกลัวหลวงพ่อไม่ยอมรับบวชให้ผมครับเขาตอบอ้าวแล้วกันนี่ฉันไปรับปากรับคำว่าจะบวชให้เธอตั้งแต่เมื่ อ, อไรท่านตั้งใจจะล้อเล่นแต่นายบัวเหียวเข้าใจว่าท่านพูดจริงใจที่กำลังฟูฟองนั้น กลับฟุบแฟบลงเสทันใด